ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมกำลังนำเสนออนังกนสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยกิเลสเพียงดังเนินแต่วันในที่นี้พระสารีบุตรเถระตอบคำถามพระมหาโมคคลานเถระเน้นไปที่กิเลสประเภท ที่เรียกวิชาวจิจารเป็นอาการเล่นไปสายไปของจิตด้วยอำนาจของความโลภความเข้มข้นของกิเลสประเภทนี้ก็มีชื่อต่างๆกันออกไปแต่โดยสรุปก็เกิดจากการที่จิตไปกำหนดคุณค่าของสิ่งที่ตนปรารถนา กำหนดว่ารูปสวยกำหนดว่าเสียงไพเราะกำหนดว่ากลิ่นหอมกำหนดว่ารสอร่อยกำหนดว่าสัมผัสน่าจัต้องกำหนดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดกูนแก่การตึกนึกก็เรียกอิทธารมุมเกลรมที่น่าปรารถนาน่าพอใจในกรณีในชื่ อ, อื่นพระุจ้าทรงแสดงเชียบเคียงถึงคนในโลก โดยจำแนกจากพื้นฐานความรู้กับความไม่รู้คนเหล่านั้นอยู่ในโลกไม่เดียวกันและอาจจะสัมผัสอารมณ์อย่างเดียวกันแต่ว่าจิตของเขาจะรับรู้มีท่าทีต่ออารมณ์เหล่า น, นั้นแตกต่างกันข้อความตรงนี้รับสั่งไว้ไผเราะมาก เเอธาปัสสะที่มังโลกังจิตังราชะระถูปมังยัตถาบาลาวิสีดันตินติสังโฆวิชาเนาตังเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดูราชรถที่พวกคนเข่าค่องอยู่แต่พวกผู้รู้หาค่องอยู่ไหมถือใ น, นแง่ของความเป็นจริงแล้วโลกมันวิจิตมันเป็นสุนสรียภาพเป็นสุนทรียศาสตร์ เป็นความหลากหลายโดยกระบวนการของธรรมชาติบางเป็นการหลากหลายด้วยการปรุงแต่งของมนุษย์บางซึ่งอุปมาให้ดูเหมือนกับราชรถในสมัยโบราณเนี่ยมีความสวยงามวิจิตรพิสดารมากแต่จริงมันเริ่มต้นจากการไม่มีราชรถการมีราชรถมันเริ่มจากความคิดอยากให้มีราชรถ แล้วก็ระดมความคิดออกไปก็มีผู้ที่ออกแบบเขียนแบบมีการท้วงติงมีการปรับแบบกันไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะลงตัวแล้วก็มีการกระทำโดยการรวบรวมทพสัมภาระจากส่วนต่างๆของโลกมาสร้างขึ้นจากความไม่มีราชรถจึงกลายเป็นมีราชรถ แล้วตัวราชรถตัวนั่นเองมันก็สมมุติซ้อนสมมติปัญหาว่าใครนั่งล่ะถ้าสามันชนนั่งมันก็เรียกว่ารถธรรมดาแต่ถ้าประชามากษตรย์นั่งก็เรียกว่าราชรถถ้าประธานาธิบดีนั่งก็เรียกว่ารถประจตำตําแหน่งประธานาธิบดีทั้งหมดมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสมมติทางนั้น แต่ว่าเมื่อเราขาดการรู้เห็นตามความจริงก็จะมีการยึดติดในสมมติบัญญัติเหล่านั้นแล้วอิจฉาวาจรในรูปแบบต่างๆก็บังเกิดขึ้นพระพุทธสาริบุตรจึงกล่าวสรุปในช่วงท้ายนี่ว่าพิสูรรูปใดรูปหนึ่งละได้ อิสาวจรที่เป็นบาปอากุศลเหล่านี้พิสูตรรูปใดรูปหนึ่งละได้ชนทั้งหลายเห็นอยู่แล้วก็ได้ยินอยู่แม้เธอจะอยู่ในเสนาสะนะตรงไหนก็ได้คือไม่ได้เกี่ยวกับรูปแบบไม่ต้องเกี่ยวว่าวางมาศเป็นพระทุดงวางมาศเป็นพระกรรมฐานหม่มจีวครคล้ำคล้ำอะไรต่ออะไรต่างๆไม่เกี่ยวเพราะนั้นมันเป็นเพียงรูปแบบมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจากข้างนอก แล้วพวกเราเนี่แท้จริงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการลวงโลกมาตั้งแต่โบราณกาลในสมัยพุทธก่อนพุทธกาลมีนายพรานคนหนึ่งอาศัยผ้ากาสาวพัดของพระปัิเจกพุทธเจ้าไปขโมยผ้ากาสาวพัดของพระปัิเจกพุทธเจ้าไปคลุมตัวเองหลอกโง่งช้างให้เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้า แล้วก็แอบแทงช้างตัวสุดท้ายในขบวนในฝูงในโขล ง, งตายเป็นจำนวนมากกว่าจะจับได้ลายทันช้างก็ตายไปเยอะเพราะเราจะเห็นว่าผ้าเครื่องแบบข้างนอกเนี่ยมันเป็นเครื่องมือกระตุ้นเตือนให้เกิดสำนึกที่ดีงามก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ใช่เป็นเครื่งองมือในการหลอกลวงคนอื่นก็ได้ใครๆพวกปลอมเป็นตำวรวจปลอมเป็นทหารปลอมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะตลอดตึงปลอมเป็นรา ช, ชวงศ์หลายปีมาแล้ววันก่อนเนี่ยอ่านข่าวนังสิพิม์ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดแล้วก็ไม่ได้ติดตามอะไรแต่ก็สรุปว่ามีการจับไม่ชีท่านหนึ่งในทานองว่าดูหมินรัชทายาท ก็ดูข้าความแล้วน่าจะอาศัยเนนที่ชื่อว่ากรรมนา ร, ร, มราตตอนนี้ก็ติดคุกไปแล้วสึกไปแล้วก็ติดคุกไปแล้วก็ทำให้นึกถึงเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลายปีมาแล้วามาไปในสถานที่นั้นผลดีก็มีคนอ้างตัวเป็นหม่อมเจ้าในราชสกุลนี้ซึ่งอาตมารู้จักอยู่ท่านหนึ่งเคยมาอบรมกรรมฐานที่วัด แต่รู้ว่าราชกุนนี้ถ้าระดับหม่อมเจ้าเนี่ยอายุมันต้องสี่สิบห้าขึ้นนะ่เดี๋ยวนี้มันเด็กเหลือเกินอายุยี่สิบกว่ากว่าก็มีข้าราชการระดับสี่แปดนะนะแสดงพี่นอพี่เทามีคนห้อมล้อมแต่งชุดไทยโบราณนุ่งผ้าโจงกระเบนแล้วก็สวมเสื้ออะไรล่ะเขาเรียกว่าหางกระรอกอะไรตเนแบบ แบ่ปลูกมหาวิล็กทั้งหลายนะฮะนั่งรถเบนซ์อย่างดีติดตามไปตมาก็ก็ซิ บ, บอกว่าพวกเนี้ยถามแล้วก็ดูที่รู้รู้จักกับตมาไหมเขาก็อ้างว่ารู้จักนะแต่เราก็ไม่อยากจะไปทําอะไรให้เขาฉูงฉางก็บอกเขาว่าให้ระวังกันแล้วกันนะก็ตมารทราบข่าวว่าถูกจับอันี้คือคือเราจะเห็นว่า มันสถานะก็ดีเครื่องแบบก็ดีเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นการสร้างให้เกิดสานึกที่จะปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสถานะของตัวเองต่อเครื่องแบบของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันคนชั่วก็คิดเป็นก็สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือในการทามาหากินปลอมเป็นคนนั้นปลอมเป็นคนนี้แบบนี้มันปลอมได้เยอะนะ ่เยอะคนจะถกถูกถูกหลอกลวงได้เยอะเลยเพราะอะไรเพราะการสายไปของกิเลสประเภทที่เรียกว่าอิสาวดจอนทีนี้ถ้าถ้าคนท่ละได้เนี่ยแต่ที่จริงท่านอาจจะหม่มจีบออยังไงก็ได้นะฮะอยู่ในเสนายัางไงก็ได้อยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้ยังไงคือเพิ่งง่ายว่าอยู่บ้านปา่าอยู่วัดป่าก็ได้อยู่วัดบ้านก็ได้ไม่ได้แปลกอะไร แต่ว่าเป็นผู้ควรแก่สังฆคุณห้าข้อหลังอุณโยปะหุนโยระกิตโยอัญชริกานโยอนุตรังปุจเกตังโลกะสะเพราะอะไรเพราะเขาบูชาความดีของท่านจะลืมมาตรงนี้ที่จริงคนจะยึดติดในรูปแบบเยอะแยะอย่างคนนิยมไปทอดพ้าป่าไปทอดขตินไปทอดถวายอะไรพระในป่าเนี่ย คือมีความรู้สึกว่าถวายพระป่าที่จะบุญมากถวายพระบ้านอะจะไม่ได้บุญก็เลยก็ไปหาพระในป่ามันก็ทํำไีคนจํานวนมากเวเ น, นี่ยร์ปลอมบวชแล้วก็สร้างสำนักสงฆ์อยู่ในป่าก็หลอกลวงกันเป็นอย่างเงี้ยมันก็แก้ไขได้ยากพูดง่ายๆว่าเป็นปัญหาขาแผ่นดินที่เราแก้ไม่ได้ คือยังไงยังไงก็แก้ไม่ได้สมมุติว่าหมดพระพุทธศาสนาไปแล้วก็มีคนใช้รูปแบบอย่างอื่นเป็นเครื่องมือในการปลอมแปลงเพื่อหาประโยชน์จากคนที่หลงเชื่ออยู่ได้ตลอดเขาเรียกเป็นอยู่ให้โลกชะงนเป็นอยู่ใหโลกมันทึ่งคือชาวโลกก็ทึ่งก็ชะงนแล้วก็หลอกได้นั่นไหม ยังมีเอกสารหลักฐานหนังสือหนังหาต่างๆนี่เยอะเลยโอ้ยพูดคล้ายๆกายสิทธิ์สามารถสั่งการสามารถที่จะห้ามปราบปิดกั้นอะไรอะไรต่างๆไปเยอะอย่างนี้กาถ้าแน่จริงลงไปแก้ปัญหาทางภาคใต้ดูสิสามจังหวัดอะเกจีอาจารย์ดังเหล่านี้หายไปไหนหมดอะในวอเวทมนฑาอะไรอะไรต่างๆเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ไม่ได้แสดงตัวออกมา แต่คนไม่คยสังเกตะนะฮะคนเดี๋ยวไม่คยสังเกตไม่ค่อยจะเทียบเคียงในเรื่องแบบนีแ้แต่ผู้เอ n g จีอทั้งหลายถึงอวดดออีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรต่อไรเนี่ยฮะเราลองดูสังเกตดูถอถ้าปัญหาเกิดขึ้นที่ภายในเนี่ยหรือแม้แต่จากภายนอกเว้นไว้แต่จากรัฐบาลพวกนี้ก็จะเฉยนะเก็บตัวเงียบไม่แสดงอะไร เวลาแสดงอะไรก็แสดงเพื่อด่ารัฐบาลมันก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะจิตใจของคนโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเขา อ, อย่างงานเดงงพราะเราอยู่ในสังคมจะต้องยอมรับความจริงว่าเออโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละจะนิยายอะไรนะักก็คงไม่ได้แล้วทีนี้พระมกาลานาเนี่ยท่าน ท่านก็เป็นพระหัน์มีคุณสมบัติทัดเทียมกับภาษาดิบุตรภาษาดิบุตรอาจจะเลิศทางปัญญาที่มากกว่าแต่หมายว่าเป็นพระอาหารหันต์ระดับวิชาสามปัญญาหกปฏิสัมพิทาสีด้วยกันนเพราะการตอบของภาษาดิบุตรเนี่ยมันก็ตรงกับที่ท่านคิดหมายความว่าถ้าท่านตอบเองท่านก็ตอบอย่างนั้น อย่างทีบอกไว้ในตอนต้นว่าพระมาหาโมคคลานะนั้นไม่ได้ถามเพื่อท่านแต่ถามเพื่ออนุเคราะห์ต่อภิกษุเหล่าอื่นคล้ายๆกับถามแทนหลังจากภิกษุไอ้ภิกษุได้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วท่านอยู่ซักแทนใล้ใกล้ปรเทศสองธรรมะอ่ะคือคู่เทศเนี่ยรู้แล้วแต่ว่าต้องการจะเทศใจ ค, คนอื่นเขาฟังแล้วก็ท่านยกตัวอย่างถึงอาชีวกชื่อปันทุ บ, บุตร กับนายช่างไม้ชื่อนายสมิติคืออาชีวะที่ชื่อบันทุบุตรเนี่ยคือไปดูนายช่างไม้เขาถากโปททำรถเก่าเกิดความคิดต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ถากอย่างนี้อะไรแต่ไรเนี่ยทำเหมือนกับที่ท่านคิด ก็เช่นเดียวกับพิธีศรที่ภาษาดิบุตรท่านตอบคำถามคือตอบอย่างที่ท่านโมคคลาณนะพระโมคคลานะคิดได้ตอบก็ท่านก็กล่าวว่าท่านขอรับบุคคลทั้งหลายก็ฉันนั้นหมายความว่าพูดถึงท่านอาชิวอ ก, กอนว่าอาชิวกันทุก บ, บุตร บุตรช่างทํารถเก่าวมีความดำดิในใจชั้นใดชั้นใดในสมีติบุตรนายช่างทํารถก็ถากส่วนที่โคง้งที่คดกับพี้แล้วก็ปมแห่งกงนันนน้นนั้นชั้นนั้นครนั้นอาชีวกปันทุบุตรช่างบุตรช่างทํารถเก่าวดีใจเปล่งวาจาแสดงความดีใจว่าในสมีติบุตรช่างทํารถถากเหมือนจะรู้ใจด้วยใจชั้นใด พระชายบุตรก็ตอบปัญหาในลักษณะนั้นถ้ากล่าวว่าบุคคลทั้งหลายกระฉะนั้นไม่มีศรัทธาเป็นผู้ต้องการจะเลี้ยงชีวิตไม่ออกบวชเป็นอนาคาริกด้วยศรัทธาอนาคาริกแปลว่าผู้ไม่มีเปลี่นแต่แต่หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นนะ่ยไม่มีศรัทธาแต่เห็นว่า ไอรูปแบบของความเป็นพระเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาลาภสักการะชื่อเสียงได้ตัวนี้ก็บวชเป็นนักบวชโดยไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาเนี่ยอาการที่แสดงออกมันก็ต้องใช้วิธีโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองหรือว่าเป็นกระบวนที่จัดตั้งขึ้นตัวนี้โอกาสเราจะหลงทางได้ง่าย ถ้่ตามปกติเราจะเห็นว่าพวกนี้จะหากินด้วยกันมันเป็นกระบวนแล้วก็มีเป็นพวกเป็นกลุ่มๆรับผิดชอบเป็นตอนๆ ต, ตอนไปเราอาจจะเรียกสมมตปัจจุบันเราเป็นหน้ามากหมายว่าคนพวกนี้เกาะกลุ่มส่วนหนึ่งก็จะทาตัวเป็นนักบวชเช่นเวนียมีการปลอมบวชว่าส่วนหนึ่งก็ทําตัวเป็นนักบวชส่วนหนึ่งก็ขับรถตุกๆ ส่วนหนึ่งก็ไปเชิญชวนชันกจุดในชาวบ้านตักบาตส่วนหนึ่งก็ไปขายของแล้วเสร็จแล้วก็มารวมกันมาแยกของที่ได้จากการหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยส่วนหนึ่งก็แบ่งกันกินแล้วส่วนหนึ่งก็ไปขายเอาไปขายต่อบางทีกลุมก่มมันก็ก็ไม่คยใหญ่เกี่มาความว่าควคนที่ปลอมเป็นพระก็ไปยืนตรงนั้นแหละ เขาตักบาทมากก็หมุนหมุนเวียนถ่ายกันขายกันตรงนั้นคือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาไม่เอาเรื่องอะถามว่าทำไมพระไม่ไปจัดการพระไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่นะฮะเพราะเป็นการกระทำของชาวบ้านมันผิดอาญากฎหมายอาญาไม่ได้ผิดพระวินัยเพราะว่าเขาไม่ใช่พระจึงไม่ผิดพระวินัยแล้วไม่ผิดราชบัญญัติคณะสงฆ์เพราะเขาไม่ใช่ภิกษุ อันนี้มันกลายเป็นสภาพที่โยนกรองไม่มีใครรับผิดชอบวันก่อนไปผาศพพระธีระก็เจอพักพวกเยอะมากตั้งแต่สมเด็จประาชาคณะมาแต่ก็ไม่ได้คุยกันหรอกก็คุยกันที่ใกล้ๆมีราชาคณะชั้นเทพองค์หนึ่งท่านก็บอกว่ากา ร, รบริหารระศาสนานี่สุด จนเกือบจะล่มละลายเลยล่มสลายเลยมันก็บอกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องคล้ายๆกับมันเกิดสุญญากาศอย่างแรงเดินก็ไม่เดินนะฮะจะลุกก็ไม่ลุกจะถอยก็ไม่ถอยแล้วก็เป็นปัญหาที่ยากต่อการจะไปจัดการแก้ไขอะไร เพราะคนที่คิดเนี่ยมันไม่มีโอกาสทาไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ไม่มีตำแหน่งอะไรที่จะไปคิดไปจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นวันเราก็ทำเท่าที่เราทำบารีพระที่นั่งกล้กันอยู่นะก็เป็นลูกศิษย์ก็คุยกันบรารวเวนี่ก็ทาได้โดยการพูดโดยการเขียนโดยการสอนก็ทำได้เท่านั้นแ่ะอย่างอื่นเราก็ไม่มีหน้าที่ไม่มีตาแหน่ง ไม่มีหนา้าที่ไม่มีอำนาจอะไรเราก็พูดออกไปแล้วเราก็เขียนออกไปแล้วก็พิมพ์ออกไปไอสอนนั่นก็แน่นอนนะฮะมีการวัดผลแต่พูดเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะมีคนฟังหรือไม่แต่รายการอย่างสถานีนี้วันอื่นน่ะไม่ค่อยจะแน่ใจแต่ว่าวันจันท์รู้สึกว่าคนถามปัญหาเยอะ แล้วก็ปัญหาบางอย่างอย่างที่บอกไว้ในวันกอ่อนว่าเรื่องของอะไรซึงเขาเล่าชนิดหนึ่งที่เขาเรียกอะไรอะ่ะก็เขาถามมาดื่มได้หรือไม่ได้ก็ที่จริงก็ดื่มไม่ได้นะเพราะว่าแอลกอฮอล์มันสูงถึงเท่าไรสิบสองเอร์เซ็นต ยิ่งแอลกอฮอต่ำขนาดสักสองสาเปอร์เซ็นเนี่ยคงจะได้มันก็ปนกันไปอะ่ะคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีรสของเหล้าแต่ว่าขนาดถึงสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยแน่นอนว่าก็ดื่มไม่ได้แต่าดื่มก็ต้องยอมรับนะฮะวอาผิดศีนคือไม่ใช่บอกรักษาศีลด้วยแล้วก็ดื่มเหล้า ด, ด้วยแล้วก็ถูกด้วยอย่างนี้มันมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าเรารักษาได้แค่สีข้อ ก็ห้าก็ต้องพยายามต่อไปแต่นั่นเองเอ่อทีนี้ปิตัจข้างคนเหล่านี้อย่าเริ่มอย่าจะลืมมาเริ่มต้นด้วยไม่มีศรัทธาแต่ว่าอยากจะบวชต้องการยาใส่รูปแบบของความเป็นนักบวชเนี่ยเป็นเครื่องมือทีนี้ประบวชแล้วมันทำยังไงละ่ะมันไม่มีอะไรอะ่ะมันโพรมันกลวงข้างในเนี่ยแกก็ต้องใช้วิธีการโอ้ คนมักโอ้อวดถ้บอกว่าเป็นคนมักโอ้อวดโอ้อวดเนี่ยบางทีก็ตัวเองอวดเองบางทีก็มีคนไม่หน้ามาช่วยกันอวดแต่พวกนี้เสร็จแล้วก็มาเฉลี่ยผลประโยชน์กันบางทีอาจจะมีหนังสือแล้วก็มีการจัดทัวนําเชี่ยวถวายไปไหว้พระ เกจิต่างๆนะตั้งกันเป็นเกจิต่างๆไปไหว้ในวัดนั้นวัดนี้แล้วก็นังสือพิมพ์ก็จะมาโฆษณาบรรยายอิทิริฏปาฏิหาริย์ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความโดดเด่นของท่านเหล่านั้นออกมาเคยเจอนะคนเคยส่งมาให้เราอ่านแล้วว่าสลดใจแต่มันสุดวิสัยนะฮะสุดวิสัยที่จะแก้ไขจริงๆ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการขาดความรอบรู้ในเรื่องศาสนาขาดปัญญาในรั้นการตรวจสอบในการวิเคราะห์ในการวินิจฉัยแยกแยะแต่ที่จริงถ้าเรามองจากโครงสร้างของสังกคุณก็พอแล้วนะฮะหมายความว่าท่านใดที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควร ถ้าเหล่านั้นก็เป็นผู้ควรของกำนับควรของด้านรับควรการทำบุญควรการทำอัญชลีก็เป็นเงื้อนอบุญของโลกไม่มีเงื้อนอนบุญอื่นจะยิ่งไปกวา่าทีนี้การปบัดีปฏิปักษ์รงเมตตาธรรมปฏิบัติสมควรเนี่ยมันบางคราวเนี่ยมันอาจจะออกมาในรูปของโอ้อวดบางครั้งอาจจะออกมาในรูปของมารยาคือเจ้าเล่ห์เสแสร้งบางครั้งก็เจตนาจะหลอกลวงมันเป็นแฟชั่นโชว์มันแสดงชั่วคราว วางมาดคลายก็สงบอยู่ข้างในอะนะฮะแต่ใจเธอคิดยังไงว่าในลักษณะบางอย่างเนี่ยความสงบของนายพรานตกเบ็ดกับความสงบของนายพรานที่ต้องการจะยิงสัตว์กับความสงบของสมณะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเราดูที่อาการเนี่ยบางทีพวกนั้นจะเก่งกว่าพระนะครับพระก็จะปฏิบัติไปตามธรรมชาติ เขาไม่ต้องเสียแซงอะไรแต่พวกนี้จะต้องแซงเสียแซ ง, งไม่มีเสียงอะไรรบกวนสัตว์มันจะตื่นเพราะอาการเหล่าเนี้เป็นเป็นอาการที่ยากจะสังเกตตัวอย่างที่โลกานิกเขาว่าไว้นะฮะหมาสะหุสุดุกเลื่นล้นขนานาาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงงัดวัดวากํากหนดจิตมนุษย์นั้นชา ย, ยากแท้ อ, อย่างถึง ทีนี้พวกนี้พอทำมากมันก็ฟุ้งนียมันก็ฟุ้งซ่านแต่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันอยู่ข้างในใจแก่จะไม่สงบใจแก่จะฟุ้งซ่านทีนี้มันจะกลายเป็นคนที่ถือตัวเพราะอะไรเพราะว่าพอหลอกคนได้มากรวงคนได้มากนานมาแล้วก็ประมาณสักสามสิบกว่าปีไปเจอในสนกแข่งหนึ่ง มิยมนี่วนไปเทศเราก็ไปเทศแล้วเราเห็นจากสนักเราก็บอกโอ้ยมันมันไม่ใช่ของแท้ก็บอกก็พวดกันเ่อบอกคอยดูก็แล้วกันอันนี้ไม่ใช่ของแทหรอกแต่เป็นการลวงโลกได้สนิทคนระดับนายกเทศมนตรีเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์รับใช้แล้วก็ สร้างอาคารสถานที่ได้อยหลายหลังทีเดียวกันนั้นใน่สุดก็เกิดปัญหาเรื่องผู้หญิงเกิดปัญหาหลายเรื่องนะฮะอันนี้คืออะไรคือว่าพวกนี้มันไม่มีฐานอยู่ข้างในไม่มีฐานอยู่ข้างในเพราะว่าทํานองคล้ายๆกับไม้ที่มันไม่มีแกนมันจะกระด้างข้างนอก มันจะกระด้างโดยธรรมชาติของมันแต่จึงข้างในกลวงแล้วก็ต่อไปก็จะกลับหรอกอพูดอย่างทําอย่างวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้ทําอย่างนึงก็ยุ่งไปหมดเลยแล้วทีนี้พอจับได้หลายถันก็จะเฉียงก็เรียกเฉียงคอเป็นเอ็นเลยก็เฉียงใหญ่เลย ทีนี้พอเอาเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเข้ามามันเอาเรื่องไม่ได้เพราะว่าเธอไม่ได้ตั้งใจศึกษาเรียนอะไรพอสอบถามที่เป็นชิน้นเป็นอันเป็นธรรมะขึ้นมามันก็กลายเป็นเลอะเถอะมันบอกผู้จารเลอดเถอะไม่มีพื้นฐานคือการจะอธิบายจะชี้แจงเรื่องแต่และเรื่องนะฮะสาขาวิชาอะไรต่างๆเนี่ย มันต้องผ่านการสะสมข้อมูลในด้านนั้นๆไว้เยอะมากต่เมื่อนเราสาัมไม่ไม่สามารถจะอธิบายไม่สามารถจะชี้แจงได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่สามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาคือแก่นแท้ของสิ่งตดนั้นอย่างการฟังเทศการฟังธรรม น, นี่เรารู้เลยเพระเหล่านี้จริงๆแกเข้าใจและแกจำแกเคยสัมผัสนะ เคยสัมผัสคันติสัมผัสเมตตาสัมผัสสัจจะสัมผัสบุริยะสัมผัสปัญญาสัมผัสกรุณาอะไรอะไรหรือไม่คือถ้าสัมผัสเน่มันจะเย็นมันจะลื่นแล้วฟังสบายนั่นก็แสดงว่าจิตเป็นสัมผัสแต่ถ้าอธิบายแข็งทื่อไปอย่างเนี้ยโดยไม่รู้ว่า ธรรมะตรงนี้ยมันก็คืออย่างเนี้ยตรงนี้ไม่เป็นเหตุปัจจัยกับสิ่งนี้หลายปีมาแล้วไปบรรยายที่จังหวัดยะลาแล้วก็พบกับ พ, พระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วแต่ก็ทบทวนให้ฟังว่าวันก่อนนี่ฟังท่านเจ้าคุณบรรยายออกกลมประชาสัมพันธ์ที่จริงพูดที่พุนทธมนฑนวันนั้นค่อยบรรยายทั้งสองชั่วโมง กรมปรชาธิพันก็ออกไปออกอากาศภาคดึกตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนท่านก็พูดเกินมาคำหนึ่งว่าที่จริงอธิบาทนะไม่ต้องมีวิมังสาก็ได้วิมังสาเป็นธรรมะเหลื อ, อามาฟังสดุ้งเนี่ยท่านเป็นป ร, รียนธรมรมก้าวไปยู่บท่านมองธรรมะยังไงท่านไม่เข้าใจว่าวิมังสาคือตัวหลักอธิบาตสี่นี่วิมังสาคือตัวหลักเป็นตัวกากับเลย เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดกำกับทุกข้อของอิทธิบาททั้งสี่พอท่านกลับไปก็อสอบถามท่านพระครูองค์หนึ่งเป็นคำถามเจนเอกว่าเป็นไงพระครูมีความเห็นยังไงท่นบอกเป็นไปไม่ได้หรอกออกได้ยังไงอะ่ะครูเจ้าสอนว่ายอย่างนั้นเน่ยคือธรรมะแบบอิทธิบาตไม่ธรรมะที่หมุน คล้ายๆกับไอเดียมากอ่ะเาจะหมุนเริ่มต้นที่ปัญญาแล้วก็สมบูรณ์ที่ปัญญาเพราะนิทิบาจะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะเริ่มต้นที่ปัญญาคือวิมังสาแต่ว่าและจะจบลงที่วิมังสาเป็นตัววินิจฉัยฮะเป็นตัววินิจฉัยว่าถึงแล้วอย่างคล้ายๆเราต้องการจะไปในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องศึกษาอันนี้ก็เป็นอาการของวิมังสา ทิศทางที่จะไปผานะที่จะไปแล้วก็ในขณะไปก็มีชันท้าคือความพอใจที่จะไปมีความพยายามที่จะไปบนเส้นทางสายนั้นและจิตใจก็มุ่งมัน่นทุกขั้นตอนเนี่ยมีปัญญากากับหมดแล้วพอถึงจุดหนึ่งจิตก็วินิจฉัยตอนนี้จะพักจนนี้จะหยุดจุนนี้จะแวะเติมน้ามันตอนนี้จะแวะรับประทานอาหารเนี่ยวีมว้มังสาต้องวินิจฉัยว่ามันขาดไม่ได้อะ ธรรมะทรงแสดงว่าย่างไรคืออย่างนั้นอย่าไปยุ่งแต่ทีนี้พวกนี้เนื่องจากเขาไม่ศึกษามันก็เข้าสูตรเดิมเ <c oughs> ข้าสูตเดิมพอมันก็เริ่มมาจากไม่ศรัทธาก็จะโอ้อวดจะมารยาจะหลอกลวงฟุ้งซ่านถือตัวกับกรอกปากกล้าปุจจาหรือเอะแล้วจะไม่คุ้มครองในอินทรีย์อินทรีย์ในทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย กรรมทวารก็คือตาหูจมูกลิกายใจนะครับก็อินทรีย์ ก, ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทําหน้าที่เป็นใหญ่หมายความว่าก็จะสายไปดูรูปสายไปฟังเสียงสายไปดมกลิ่นสายไปลิ้มรสสายไปถูกต้องปวดทพะสายไปเหนียวนึกถึงอารมณ์ไอ้ไอ้ฉิชาปรยอยมันก็เกิดพอเกิดไม่สุดมันจะไม่รู้จักประมาณไม่รู้รู้จักประมาณในการแสวงหานในการได้มาในการครอบครองในการไโภบใช้สอย จะเป็นปัญหาในเรื่องของการแสวงหาปัจจัยสี่มาตอบสนองความต้องการของตัวเองทีนี้พอไม่รู้จักรู้จักประมาณในอาหารมันก็จะมีความเพี้ยนที่ยอดหย่อดแล้วก็ไม่เพ่งเล็งเพ่งเล็งในสามัญญยาคุณคือคุณก็สามเณรนี่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะไม่มีอะไรตรวจสอบไมไ่เห็นความสงบในภายใน ไม่เห็นความสะอาดที่กายที่ว่าจา่าไม่เห็นความสงบที่ใจไม่เห็นปัญญาที่ใจมันก็ตรวจสอบไม่เจอคือหาตัวเองไม่เจอตั้งคำถามว่าเราเป็นพระหรือเปล่าเนี่ยเป็นผู้สงบหรือเปล่าเป็นอุบาสกรหรือเปล่าเป็นอุบาสิกาหรือเปล่านะเป็นพ่อแม่ที่ดีแล้วยางเป็นลูกที่ดีรล้อยังอั น, นี่มันก็เหมือนกันหมดแล้วนะ พราะจากนั้นก็จะไม่มีความเคารพแรงกล้าในสิกขาเพราะว่าการที่จะเคารพแรงกล้าในใจสิขาเนี่ยโทษของการไม่ดำเนินชีวิตตามหลักใจสิขาต้องชัดเจนภายในใจและคุณค่าที่เราจะได้จากการดำเนินชีวิตไปตามใจสิขาต้องชัดเจนภายในใจทีนี้เมื่อคนเหล่านี้มันเริ่มต้นมาจากการไม่ศรัทธาเนี่ย มันก็รวมหมดทั้งกระบวนก่ะคือจะเอาอะไรมาใส่อีกก็ได้นะกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดได้ทั้งนั้นเลยคือการเคารพแก่กล้กาในใจสิกขาเนี่ยมันไม่ได้มีในคนทั่วๆไปหรอกคนที่แก่กล้าจริงๆเนี่ยก็เรียกว่าเฉียดประโสดาบันไปแต่ตัวแท้เนี่ยคือต้องประโสดาบันขึ้นไปแล้วก็จะกลายเป็นคนนี้มากๆ อยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้น้นเห็นแก่ตัวจัดอกระทากร า, กรามโลภจัดแล้วก็ย่อหยอดในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองย่อหยอดในเรื่องศีลอย่อดในเรื่องสมาธิย่อหย่อดในเรื่องปัญญาแล้วก็นำคนอื่นนะตัวเองเลวไหลแล้วก็ไปนำคนอื่นในเลวไหลตา่างภาระธุระที่จะต้องจัดจะต้องทาก็อทอดทิ้ง ถ้าทิ้งในความสงบในการอยู่ในที่สงบในการสงบกายสงบวัจจสงบใจก็สะสมกลายเป็นคนเกียดคร้านพะเกียดคร้านความเพียรก็เหยอะแยะเดินไปไม่ได้เห็นหมันเป็นกระบวนกะเป็นกระบวนของจิตจิตมันตั้งไว้ผิดมันรวนหมดทั้งระบบอะ่ะคล้ายๆกับรถ ไฟหรือว่ารถยนต์ที่สูญเสียการทรงตัวและสิ่งที่ตามมานะนับได้เยอะเพียงแต่ว่าจะนับหรือไม่นับเท่านั้นเองก็สติก็จะฟันฟ่นเฟือนเลอะลืมหลงลืมเลอะเลือนเมื่อลอยไม่มีสัมปชัญญะขาดปัญญาในการตรวจสอบในการเพ่งพินิจในการพิจารณาในการวินิจฉัยตัดสิน และจิตก็จะไม่ตั้งมัน่นเพราะไม่ตั้งมั่นมันก็หมุนไปผิดคือคิดผิดปัญญาก็เสื่อมสามไปไเรื่อยเขาเรียกว่าแก่เหมือนกับโคถึกเพราะแก่แล้วมันมันราคามันลดนะเราเห็นว่าโคพอแก่ราคามันลดลงไปคือทาอะไรไม่ได้ทำงานก็ทำไม่ได้เอาไปข้าวโรงเชื้อดก็ใครไม่กินนะก็ต้องปล่อย เขาได้แก่แบบโคตรมีปัญญาสามเป็นนางคนบ้ายและท่านก็บันทุกนะว่าสารีบุตรเหมือนจะรู้ใจของบุคคลเหล่านั้นด้วยใจแล้วถากอยู่ด้วยธรรมปริยายนี้เอ่อจากนั้นพระโมคคลานะก็แสดงในทางตรงกันข้าม ในทางตรงกันข้ามจากคนประเภทดังกล่าวแล้วคือที่จริงมันก็อยู่สองภาคกะ่ะเมือ่อฝากเป็นอกุศลจะแสดงขวายกุศลหรือไม่แสดงก็คือแสดงหรือ ค, คนต้องคิดต่อว่าถ้าเพราะไม่มีศรัทธาเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันไหลไปตามกระแสกิเลสอย่างนั้นตั้งหลักใหม่คือมีศรัทธามื่อจะเดินอนกสายคือตรงกันข้ามาสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มี มันก็มีไปได้เร่เรในกระบวนการของกุศลเนี่ยจึงอยู่ที่จุดเริ่มต้นที่พยายามเน้นนะเห็นว่าคือบางครั้งบางคราวเราไปยึดติดในรูปแบบเกิดไปประเด็นสําคัญว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนับหนึ่งตรงไหนล่ะนับหนึ่งที่ศรัทธาไหมล่ะนับหนึ่งที่ปัญญาไหมล่ะนับหนึ่งที่ความำรำไรชอบไหมล่ะ น้ำหนึ่งที่เมตตาไละนับตรงไหนก็เอามันเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรามองถ้าเรามองด้วยเมตตาหมายความว่ามองที่สิ่งมีชีวิตแต่การที่เราเมตตาเนี่ยมันก็ต้องแสดงมาปัญญาอยู่ด้วยเราต้องเห็นคุณของเมตตาหเห็นโทษของขาดเมตตาแล้วก็รู้จักคนนั้นชัดเจน ทีนี้พอปัญญาเกิดสติก็เกิดสติก็เกิดศรัทธาก็เกิดไปความเพียรก็เกิดอะไรก็จะตามมาเป็นแถวแล้นท่านก็บอกว่าส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตไม่เป็นคนโอ้อวดเห็นไหมจริงจริงตัวหลักนี่คือศรัทธาเพราศรัทธาต้อคุมไปอีกทางหนึ่งไลยในขณะที่อัศทธยะคือไม่มีศรัทธามันไปทางซ้ายนี่ไปทางขวาหรือคนละเรื่องกันเลย มันเป็นไปตามสูตรที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงบ่อยๆว่ากุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่บังเกิดก็จะบังเกิดขึ้นเดี๋บังเกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นเหตุนั้นควรกระทําบําเพ็ญให้บังเกิดขึ้นเพราะคำตอบสุดท้ายจึงอยู่ที่คุณเริ่มต้นตรงไหนละ่ะอย่าลืมว่าไอความรู้สึกดีๆทั้งหลายเนี่ยนะ ไอ้เช่นเรามองคนโดยพื้นฐานที่ต่างกันคนหนึ่งเรามองด้วยศรัทธาคนหนึ่งเรามองด้วยความเมตตาคนหนึ่งเรามองด้วยความกรุณาคนหนึ่งเรามองด้วยมุทิตาคนหนึ่งเรามองด้วยความเคารพคนหนึ่งเรามองด้วยความนับถือคนหนึ่งเรามองด้วยความภักดีะคนหนึ่งเรามองด้วยความรักสารพัดแหละจมองเนี่ยนับไปเถอะมันจะมีความคิดดีทาดีพูดดีกับคนนั้นแล้วต่อไปสิ่งดีๆจะตามมาอีกกันเนี่ยกันนั้น จะนับเป็นข้อหนึ่งสองสามสี่มันนับไม่ไหวหรอกมันเป็นกระบวนการทางจิตที่สําคัญอยู่ที่จุดเริ่มต้นให้ลองสังเกตว่าการเข้าสู่พระศาสนาไม่ได้เน้นว่าต้องศรัทธาหรือว่าเน้นที่ปัญญาหรือเน้นที่อะไรเริ่มได้ตรงไหนก็เริ่มมันทานองคล้ายๆกับเราขึ้นไปสู่ที่สูงเนี่ขึ้นทางไหนก็ขึ้นขึ้นไปถึงก็แล้วกันละว่าขึ้นไปถึงมันก็ถึงได้กัน พอท่านเริ่มต้นที่ที่ศรัทธาเป็นการออกบวชด้วยศรัทธาพอออกบวชด้วยศรัทธามันกระแสของศรัทธาเนี่ยมันจิตมันผ่องใสท่านก็จะไม่โอ้อวดจะไม่มีมารยาจะไม่หลอกลวงจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่ถือตัวจะไม่กลับกรอกจะไม่ปากกล้าจะไม่พูดจาเลอะเทอะจะคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายจะรู้จักประมาณในโภชนาะ จะประกอบด้วยความเพียรทั้งทางกายและก็ทางจิตมีความเพ่งเลงในสามัญญคุณคือตรวจสอบดูตัวเองพิจารณาตัวเองจนว่าพิจารณาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คุณลูกพิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินเมื่อถูกคนอื่นก็ถามในการแผลหลัง อาการกายวาจาที่ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงท่านนี้คนอื่นเขาคร่ครวพินิจพิจารณาแล้วติเราโดยศีลได้ไหมติเราโดยธรรมะได้ไหมติเราโดยหน้าชี่ได้ไหมคือติเขาติได้ไหมติในทางที่ชอบเนี่ยเขาติได้ไหมถ้าเขาติได้เนี่ยมันต้องปรับปรุงล้วทีนี้ถ้าปรับปรุงไปแล้วเขายังติมันก็เป็นเรื่องของเขาว เพราะาเราห้ามคนติไม่ได้เพียงแต่ว่าเรามีความบกพร่องมากพอให้เขาตำหนิไหมอันนี้เป็นการตรวจสอบในสามัญญคุคคือคุณเครื่องความเป็นสมณะแล้วก็จะมีความเคารพอย่างแรงกล้าในใจศิกขาโดยเจนวสินสมาธิปัญญาที่จริงเป็นนามธรรมอักษรที่จะรึกตนเองเป็นรูปปธรรมแต่ตัวเขาในจริงเขาเป็นานามธรรม แต่เราให้ความเคารพในศีลที่เราสมาธานที่เรารักษาที่เราศึกษาสังเกสํารวมระวังไม่ล่วงละเมิดไม่จำเป็นว่าจะต่อหน้าคนหรือรับหลังคนพอเราเป็นคนรับผิดชอบต่อผลของศีลเหล่านั้นต่อเหตุเือการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติตรงนั้นแล้วก็ต่อผลซึ่งเกิดขึ้น เป็นผลที่เป็นคุณภาพจิตแล้วก็ติดตามเราไปได้คืออย่าลืมวาแม้แต่ศีลข้อเดียวนี่อย่างในตอนท้ายของศีลที่มีการสมาทานว่าสีเลนะสุกติยันติบุคคลจะบังเกิดสุกติได้ก็บพระศีลสีเลนะโภกัสัมปทาสมบูรณ์โดยโภกกสมบัติได้ก็เพระศีลสีเลนะนิบุติยันติบรรณุมักผลให้ผ่านได้กับพระศีล แต่แน่นอนไม่ใช่ศีลโดยลําพังแต่มันเป็นกระบวนการทางจิตเพราะอย่าลื ม, มาการเดินของจิตเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่ศีลนะอย่าไ้เคยยกตัวอย่างไว้ศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นศีลอยู่สามช่วงแต่มันประนีตขึ้นหนึง่งดเว้นจากปาณาติบาสสองไม่พกพาสัตจ ร, รวุธเครื่องประหารสามมีความสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายตรงนี้เป็นศีล สามสี่มีฮิริและโอตปะตัวนี้ไม่ใช่ละเป็นธรรมะล้วจิตมันประนีตจิตมันสงบจิตมันสะอาดขึ้นมันสงบขึ้นมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเป็นธรรมะแล้วมีจิตคิดอนุเคราะห์อนุเคราะห์กคือการุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเราจะเห็นว่ากิเลส ท, ที่มันสงบไปเนี่ย กิเลสรับกลางรับหยาบสงบรับกลางสงบพอจนถึงจุดหนึ่งนี่ถ้าเข้าถึงจริงๆเนี่ยแม้แต่กิเลสประเภทละเอียดก็สงบเพราะอะไรเพราะที่ตรงกันข้ามกับกับเมตตาเนี่ยก็คือพยาบาทตรงกันข้ามกับการุณาเนี่ยก็คือวิหิงสาซึ่งพยาบาทเนี่ยเป็นกิเลสประเภทที่แรงนะ เป็นกิเลสประเภทนิวร์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอาการที่อ่อนลงก็เป็นกิเลสประเภทอนุสัยแล้วก็เป็นกิเลสประเภทสังโยชน์อันนี้คือกระบวนการทางจิตจิตก็พัฒนาไปเรื่อยมีความประณีตไปเรื่อยแล้วก็มีความยินดีเลยลิ้มรสไปเรื่อยอจิตมันก็มันก็คล้ายๆกับว่าคนไปกินผลไม้อร่อยแล้วมันก็กินไปทีเรื่อยอะ่ะ กินไมเรื่อยดอกไม้เยอะต้นไม้อยู่สูงดอกไม้อยู่สูงยังกินยังอร่อยอยู่ยังชอบอยู่ก็ต้องปีนป่ายขึ้นไปนะการก้าวไปของจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นคือต้องได้ริมรสได้ลิมรสของศีลลิมรสของสมาธิริมรสของปัญญาสัมผัสความสุขความสงบความเยือกเย็นมากหรือน้อยก็เป็นไปตามเหตุที่เราสามารถประกอบกระทําบําเพ็ญให้บังเกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการกระจายตัวเองของกิเลสที่เริ่มต้นจากอสัติยะคือความไม่เชื่อปรอมาชุดที่สองเนี่ยแล้วเปลี่ยนหัวเลยเปลี่ยนสวนหัวเลยก็มาเริ่มต้นที่ศรัทธาคือความเชื่อมัน่นเปลี่ยนมอนก็เดินะมันจีนมันขับเคลื่อนไปก็กลายเป็นทางสองทางที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะเพียงแต่ว่าเอาศรัทธานากับอสัตธิยะคือความไม่เชื่อนา ในขณะที่เดียกันที่อริมักเนี่ยเอาสัมมาทิฏฐินํากับมิจฉาทิฏฐินํามันก็เดินกระสายเลยขนานกันโดยไม่มีบรรจบในเมื่อเริ่มในสัมมาทิฏฐิได้ก็สัมมาทั้งกับปะส ม, มาวาจาร ก, ก็ไปทั้งแปดข้อจนถึงสิบข้อพอเริ่มที่มิจฉาทิฏฐิมันก็ไปก็หมาได้ทั้งสิบข้อเหมือนกันนี่คือกระบวนการของกุศลและอกุศล ที่ภาษาทีบุตรท่านจำแนกให้เห็นไปเรื่อยๆนะใ ห, หนจำแนกก็เห็นไปเรื่อยตอนนี้พระโมกข์พระโมกข์กัลานาสรุปมาถึงช่วงที่พระโมกข์กัลานาสรุปแล้วก็มีประเด็นมีตัวอย่างมีนิทานบุคคลที่น่าจะอาศัยในยะตรงนี้นามท่านผู้ฟังไปศึกษาในรายรายละเอียดในเรื่องนั้นๆต่อไปทักฟังแต่ไหลเสียงธรรมจากหมหาสลัยตีวสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรูในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายรูทั่วกันสวัสดี